ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปทมยาเมเทศนาไรากันธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนพอพูดถึงเรื่องความสงบเนี่ยก็อยากจะย้ําว่าก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทําสมาธิทุกวันก่อนเข้านอนแล้วก็หลังตื่นนอนเนี่ยแค่2เวลานี้ก็ยังดี ซึ่งสองเวลานี้มันไม่มีใครที่จะมารบกวนเราเป็นเวลาของเราโดยแท้แต่การที่มันเป็นเวลาของเราจริงจังอย่างนี้ไม่มีใครมาเบียดเบียนเวลาของเราอันนี้ได้เนี่ยเราก็ใช้ให้มันมีประโยชน์กับตัวเองกับร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายแล้วก็จิตใจนะคนเราเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยสองอย่างนะอย่าลืมนะท่านผู้ฟัง ไม่ใช่แต่ร่างกายอย่างเดียวที่เป็นตัวเราแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่มันสําคัญอีกส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญส่วนใหญ่ของคําว่าเราจริงๆก็คือจิตใจนี่แหละก็เหมือนคําโบราณน่ยครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันก็เสือ่อเห็นว่าใจเนี่ยมันเป็ น, นูเรื่องสําคัญมากกว่ากายนะถ้าความสุขความทุกข์ถ้าสุขกายแต่ทุกข์ใจเนี่ยไม่ไม่เป็นอันอยู่แหละแต่ถ้า ทุกกายสุขใจชีวิตก็ยังพอไปได้นะแต่ถ้าสุขกายสุขใจด้วยนี่ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคนเราการที่เรามาหัดเข้าสมาธิเนี่ยก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วว่ามันเหมือนเป็นการที่เรามาให้อาหารใจให้อาหารที่ดีกับใจให้อาหาร ที่มันจะปรับสภาพให้ใจเนี่ยมันเป็นใจที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราทําได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนอกจากใจเราจะโดนปรับสภาพให้มันเป็นใจที่ดีแล้วมีคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือนิสัยของใจนิสัยใหม่ที่เราจะมาเติมอาหารใจในช่วงเวลานี้คือก่อนเข้านอน แล้วก็หลังตื่นนอนก็เหมือนคนออกกำลังกายเนะี่ยการที่เหมือนเราอยากลดน้ำหนักเนี่ยเวลาทุกคนมันมีเท่ากันแต่ถ้าเรายังใช้เวลาเนี่ยไปในแบบเดิมๆ เ, เนี่ยเราก็จะก็เป็นแบบเดิมๆก็ยังกินแบบเดิมยังมีกิจกรรมที่ทำให้เอื้อต่อการที่เราจะรับแคลอรี่เพิ่มแล้วก็ มีเวลาที่เราจะเอาแคาลอรี่ออกเบิร์นออกเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นมันก็ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมเลยแหละสภาพของใจก็ไม่ต่างกันนะการที่เราจะปรับสภาพใจให้เป็นสภาพใจที่ดีได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุเหมือนกันเหตุนั่นก็คือความสงบนี่แหละที่มันเป็นเบื้องต้นแต่จ้าอาาพูดให้มันละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยเหตุที่มันละเอียดจริงๆเหตุต้นตอจริงๆก็คือการที่เราเริ่มจากการที่มีสติ มีสัมมาสติที่เราจะรักษาใจแต่ถ้าเรามีสติที่ตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยผลที่ได้แมก็คือความสงบเป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นอันเดียวใจสบายเกิดขึ้นได้ก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าคนคนที่เขาต้องการลดน้ำหนักเนี่ยหรือลดความอ้วนเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรม ในชีวิตประจำวันของเขาถ้าเขายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เ, เนี่ยเขาลดไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่คนที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยอย่างแรกก็คือควบคุมอาหารแต่ควบคุมอาหารนี่มันเพียงพอหรือเปล่าไม่ใช่นะก็คือเราเอาควบคุมขาเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องควบคุมขาออกด้วยขาออกก็คือการใช้พลังงานนี่แหละหรือพูดอีกแง่งก็คือการที่เราจะ ต้องออกกำลังกายเป็นการใช้พลังงานเพื่อทำให้ขาเข้าและพลังงานที่มันสะสมเอาไว้เนี่ยมันได้โดนใช้ไป่อมันใช้มากกว่าเข้าแน่นอนไอ้พลังงานสะสมมันก็จะโดนใช้ไปด้วยและผลก็คือน้ำหนักเราก็จะลดลงลดลงนอกจากน้ำหนักที่ลดลงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเอร์ระบบ ความสะอาดของหลอดเลือดเอ่ยมันก็จะได้รับการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าเราก็ต้องตัดกิจกรรมบางอย่างออกไปเพื่อที่เราจะทดแทนด้วยกิจกรรมที่เราจะดูแลสุขภาพเราแต่อย่างแน่นอนเวลากินเราก็อาจจะใช้เวลาเท่าเดิมเราก็แค่ เปลี่ยนชนิดอาหารแต่แน่นอนคือไอ้ช่วงเวลาที่เราจะต้องเอามาออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนการจัดสรรเวลาสมัยให้มีเวลาที่เราจะให้กับการออกกำลังกายใจก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องจัดสรรเวลาเหมือนกันการที่ใจเราจะแข็งแรงการที่ใจเราจะมีสุขภาพใจที่ดีได้เนี่ยมันก็ต้องจีดเวลาเหมือนกัน ทำเหมือนการลดน้ำหนักนี่แหละทาเหมือนกันที่จะทำให้สุขภาพกายมันดีขึ้นคือหนึ่งเราก็ต้องควบคุมขาเข้าแล้วก็ควบคุมการออกด้วยให้เข้ากับออกเนี่ยมันมันมันสมเข็สมผลเข้าในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเข้าก็คือเราก็พยายามลดปริมาณอารมณ์ที่มันทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองขุ่นมัว หรือประกอบไปด้วยความหลงเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้แล้วเราก็เอาปริมาณขาเข้าดีๆเข้ามาด้วยอย่างคนลดน้าหนักเนี่ยเขาก็ต้องไม่กินของมันใช่ไหมหรือลดแป้ ง, งนี่นะก็คื อ, ค, อควบคุมอาหารแล้วก็พยายามอะไรเติมผักให้มันมากขึ้นเติมผลไม้ให้มันมากขึ้นดื่มน้ําให้มันมากขึ้น ใจก็ฉันได้ฉันนั้นใจก็ต้องการอาหารที่ดีที่จะต้องเติมเข้าไปในขณะที่เราพยายามจะคัดกรองอาหารที่ไม่ดีออกทีนี้การที่เราจะเติมอาหารที่ดีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารที่ดีนี่เราจะาหาได้จากไหนอย่างตอนที่แล้วหรือว่าตอนแรกเนี่ย ก็ได้นําเสนอไปแล้วว่าวิธีการเติมอาหารใจง่ายๆก็คือการที่เราเอาใจเรามาอยู่กับลมหายใจให้ใจเราอยู่กับลมหายใจมันก็จะกินอารมณ์ของการหายใจและมันก็จะมีอารมณ์ของการหายใจที่มันตั้งมั่นได้พอเราเติมอันนี้ลงไปเรื่อยๆืยๆืๆก็เหมือนอายกตัวอย่างเหมือนน้ําแล้วเราก็เติมเกลือลงไปใช่ไหมน้ำมันก็เค็ม ถ้าเราเติมน้ําลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีกลงไปอี ก, อกเรื่อยๆได้เนี่ยรสของเกลือเนี่ยคือความเค็มเนี่ยมันก็จะเจือจางไปซึ่งปริมาณเกลือมันก็ไม่ได้ลดลงไปหรอกไปแล้วแต่อัตราส่วนของน้ําและเกลือเนี่ยมันน้อยลงรสชาติมันก็เปลี่ยนไปใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยไอ้ที่เราเก็บมาระหว่างวันเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ไม่ดี ภสษะที่ไม่ดีทาให้เป็นขยะอยู่ในใจเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกแต่แค่เราย้อนกลับมาดูลมหายใจเอาใจมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยเรื่อรื่อยใจเราก็ได้เติมอารมณ์ของการหายใจลงไปเติมลงไปเติมลงไปเติมลงไปก็เหมือนเราเติมน้ำลงในน้ำเกลือนั่นแหละรสชาติมันก็เปลี่ยนไปจากเดิม น้ำเกลือที่มันเค็มเติมน้ำลงไปมากๆมันก็จืดลงจืดลงจืดลงใจเราก็เหมือนกันจากเดิมที่มันมีอารมณ์ทั้งชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจผ่องไสหรือขุ่นมัวต่างๆเหล่านี้แหละพอเราเติมอารมณ์ความกลางๆของการหายใจเข้าไปเนี่ยใจเรามันก็จะจากลบมันก็ขึ้นมาเป็นศูนหรือจากบวกมันก็ถอยลงมาอยู่ที่เป็นตรงกลางที่ศูนย์นี่แหละ พูดง่ายมันก็เหมือนโดนคาลิเบตให้กลับมาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมนะใจเราก็จะมีความสงบระงับเกิดขึ้นได้มีความสบายเกิดขึ้นได้มีความสุขอันเกิดจากความที่เราระงับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงไปได้เพราะว่าใจเราอยู่กับลมหายใจกินอารมณ์ของการหายใจใจก็โดนปรับสภาพให้มาอยู่แบบ กลางๆสบายๆอย่างนี้แล้วการที่เราอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยทำได้ทุกวันทุกวันแน่นอนหนึ่งความเคยชินในการที่เราจะปรับสภาพของใจหรือใจมันจะคุ้นชินในการที่มันจะมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นแน่นอน ถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยความชํานาญมันต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าการที่ทุกท่านฝึกนิสัยให้ใจอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยใจคุ้นชินกับลมหายใจย้อนกลับมาตั้งมั่นอยู่ในภายในได้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยเท่าเก่าไม่เหนื่อยในการทําความสงบเท่าเก่า ซึ่งคนฝึกหัดแรกๆเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ดีเท่ากับคนที่เขาทาได้อย่างชำนาญหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่หัดทำใหม่ๆสิ่งที่ที่ได้ในกระบวนการเนี่ยก็คือถูกผิดแล้วก็เกือบถูกซึ่งไอ้เกือบถูกกับผิดเนี่ยมันทำให้ผลที่ได้เนี่ยไม่ดีแต่การที่เราทำถูกผลมันถึงจะดี แต่คนที่เขาทําได้อย่างชํานาญเนี่ยปริมาณของการที่ทําเกือบถูกกับผิดเนี่ยมันจะลดลงปริมาณของการที่เขาทําถูกต้องกับเหตุปัจจัยของความสงบเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, านตามความชํานาญพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ้ยแล้วไอ้ถูกเนะี่ยมันคืออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรซับซ้อนหรอก การถูกก็คือการที่เรามีใจที่มันตั้งมั่นลงไปในลมหายใจจริงๆไม่ใช่ว่าดูส่งๆไปเราก็มีความจดจ่อต่อเนื่องใจเราก็ตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องสนใจลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเห็นลมสังเกตลมอยู่แต่ใจความรู้สึกความตั้งใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ลม หรือไปเรื่องความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องโอจิปาทะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูลมไปมันก็สักแต่ว่าความสงบมันก็เกิดขึ้นลําบากแต่การที่เราพยายามประคองรักษาความตั้งใจของเราเนี่ยให้มันอยู่กับลมได้เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเราทําเขตของความสงบที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องผลที่ได้ที่มันต้องได้ความสงบ ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนทีนี้การที่เรามีใจที่มันสงบระงับอยู่เรื่อยๆได้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นคุณค่านั่นแหละว่าการที่เรามีใจที่มันสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องดีนะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านั่นแหละ ใจที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงเราจะมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อความสงบอันนี้มาได้ไม่สามารถจะซื้อใจที่มันเป็นคุณลักษณะสงบระงับผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานได้เราอาจจะเอาเงินไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาเงินไปซื้อ กับข้าวอประนีเอาเงินไปซื้ อ, อแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือเอาเงินไปซื้อของใช้ดีๆประนีมันก็ทําให้ใจเนี่ยมีความสุขจากการบคุณจากรูปเสียงเกลื่อนรสสัมผัสซึ่งมันเป็นความสุขที่คนละแบบจากการที่ เรามาทำความสงบระงับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่แล้วถ้าทุกท่านได้ลองทำดูเนี่ยต้องรู้แน่นอนว่ามันต่างกันจริงๆมันเป็นความสุขที่ละเอียดประณีต ก, กว่ากว่ามากแล้วเราก็จะต้องทำเองอะ่ะใจเราต้องสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเองพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรามีความความสุข 2แบบความสุขที่เราหาได้จากรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสเราก็หาได้ความสุขที่เราระงรับรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเราก็หาเป็นมันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะมีออปชันในการหาความสุขได้2แบบพอเราหาความสุขในภายในได้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพัฒนาไปต่อจากการที่เราได้ความสงบก็คือ เราก็จะค่อยๆเห็นนะว่าพอเราสงบระงับได้ได้บ่อยได้ดีเ น, เนี่ยเหตุของการสงบระงับเนี่ยนอกจากที่เราจะตั้งใจอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยการที่เราเราจะสงบระงับได้ดีได้เร็วเนี่ยคือการที่เราสลัดความสนสนใจจากรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสมาอยู่ที่ลมได้เนี่ยก็เพราะสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราไม่ได้เห็นสาระเก่นสาร ของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอเราไม่ค่อยเห็นสาระของมันแล้วเนี่ยเราก็พูดง่ายใจเราก็สลัดจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่มันเป็นสาระก็คือความสงบระงับในภายในได้ดีขึ้นแล้วการที่เราจะเห็นถึงความไม่มีสาระของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันทำยังไงก็ต้องหัดคิด พิจารณาบ่อยๆแล้วอะไรที่มันจะเป็นมาตรฐานให้เราเห็นถึงความไม่เป็นสาระของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นได้ล่ะพระพุทธาก็บอกแล้วให้ให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มันไม่ไม่ใช่ของที่มันจะยั่งยืนถาวรอย่างนี้อยู่ได้แต่ถ้าเราใจเราค้านกับความเป็นจริงอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์มันเล่นงานเราแน่นอน เพราะว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราใช่มหมแล้วแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากเราเนี่ยสักวันหนึ่งแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยทุกมันย่ำยีจิตใจเราแน่นอนแต่ถ้ากับคนที่คอยหมันพิจารณาอยู่เนืองๆเออมันไม่เที่ยงหรอกเออมันไม่อยู่กับเราหรอกตอนนี้เราอยู่กับมันเราก็ใช้ไปแต่ต้องคอยระวังว่าเออใจเราอย่าไปยึดติดผูกยึดกับมันมากจนเกินไป พอวันหนึ่งที่มันจะต้องจากเราไปจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะแต่ทุกข์แบบพอดีๆแล้วก็หายทุกข์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งการที่เราจะมีศักยภาพอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝึกแล้วก็ฝึกแต่การที่เราจะฝึกอย่างนี้เนี่ยแน่นอนมันมันต้องแบ่งเวลานะแบ่งเวลามาฝึกอะ จากการที่เอาไปใช้ดูหนังฟังเพลงเอาไอ้กอย์เหรอบางคนเนี่ยตื่นมาไม่ต้องทําอะไรละเปิดโทรศัพท์ไถก่อนละไถดู Facebook บ, าา Line บา้างละไถดูลายบ้างละนี่เป็นต้นละแล้วก็เป็นนิสัยไงพอตื่นมาปุ๊บก็ไถก่อนเลยแต่แทนที่ว่าเราตื่นมาปุ๊บเราจะใจเราจะมานั่งสมาธิดีดกว่าทําความส ง, งบดีกว่ามันจะต่าง ก, กันนะสองแบบนี้ แล้วการที่เราใช้เวลาอย่างนี้ไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สําหรับคนที่เดินผ่านความสงบไปพิจารณาเห็นถึงความไม่มีแก่นสารของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยพอมองย้อนกลับมาเนี่ยมันก็รู้สึกน่าเสียดายสำหรับบางคนที่ยังยังมองไม่เห็นความจริงอันนี้ยังมีความรู้สึกว่าเรายังมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เรายังมีความสนุกมีความเพลิดเพลินเราก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรายังยึดติดอยู่กับมันถ้าเราเข้าใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ให้อะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราอาจจะยังรู้สึกว่า เรายังอยู่ได้ไปเรื่อยๆอ่ะแต่จริงๆแล้วมันต้องถึงวันใดวันหนึ่งเราต้องตายนะพอตายไปแล้วเราก็ยังมีเชื้อของความเกิดอยู่เราก็ไปเกิดอีกอะไปเกิดบางทีสุคติบ้างทุกติบ้างมันก็พูดง่ายง่ายๆว่ามันก็บางทีควบคุมลำบากซึ่งถ้าไปเกิดทุกติแล้วมันก็ยิ่งแย่แหะทีนี้แต่ถ้าไปอยู่สุคติมันก็ยังดีนะ แต่ถ้าเกิดไปอยู่สุขติแล้วมันก็ไม่ได้ยืนยันการันตีอะไรว่าจากสุขติแล้วมันจะไปทุกติไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมันทำให้เห็นว่าเอมันไม่ใช่มีชีวิตนี้ชีวิตเดียวนะมันก็มีอัตภาพต่อๆไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทเพราะอะไรเพราะว่าในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยถ้าเราคนเรามันก็เหมือนเครื่องจักรระดับหนึ่งนะที่มันมีรูทีนทุกวันน่ะ ทุกท่านเขควจะเข้าใจนั่นแหละว่าเออตื่นเช้ามาเราเป็นยังไงเราทําอะไรแล้วก็ทําแบบเดิมทุกวันทํางานเราก็ทําอย่างงี้ทุกวันแล้วก็กลับมาเข้านอนเวลามันก็เหมือนเหมือนเดิมใช้อย่างเงี้ทุกเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เผาเวลาไปทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้แหละเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ถูกคิดหรือมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆ เราก็เผาเวลาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวั น, วนซึ่งคนที่มไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไม่ได้คิดคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าความสุขในภายในที่เราจะต้องมาบริหารจัดการให้มันดีขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นแล้วก็ลดทอนความทุกข์ให้มันลดลงลดลงลดลง เราก็จะใช้เวลาในแบบเดิมๆซึ่งมันก็จะน่าเสียดายที่เราเหมือนเหมือนเราลืมตาแต่เราลืมตาแค่ข้างเดียวลืมตาที่เราจะมีความสุขแต่เฉพาะภายนอกหาความสุขแต่ไหนภายนอกซึ่งมันก็เป็นของไม่เที่ยงนะแล้วเราก็เผาเวลาของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชักชวนให้ทุกท่านเนี่ยเห็นถึงคุณค่าของความสงบในภายในแล้วก็พยายามทำเหตุที่ให้ความสุขในภายในเกิดขึ้นโดยการที่มาจัดสรรเวลาชีวิตใหม่พยายามแทรกแทรกเวลาของเหตุ ที่มันจะทำความสุขในภายในให้เกิดขึ้นแทรกเหตุของการที่เราจะเข้าใจตามความเป็นจริงแทรกเหตุที่เราจะมาลดทอนความทุกข์ในภายในของเราพยายามหมั่นแทรกลงไปในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆช่วงถ้ามันเป็นไปได้ซึ่งแน่นอนแหละบางช่วงเนี่ยมันจะต้องทำได้ง่ายบางช่วงก็ทำได้ยากแต่แน่นอนถ้าเราไม่ พยายามแทรกมันเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตเราก็จะหมุนมวนไปแบบเดิมๆแต่ถ้าทุกท่านได้รับรู้รับฟังแล้วเนี่ยเราก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำความสุขของตัวเองในภายในให้มันมากขึ้นพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพในการลดทอนความทุกข์ให้มันลดลงก็ อ, อยากจะตอกย้ำนั่นแหละว่าเรามา ทำความดีให้กับชีวิตของเราโดยการแทรกเหตุดีๆนี่นเพราะนั้นมาจัดเรียงพฤติกรรมจัดเรียงกิจกรรมในชีวิตของเรากันใหม่เถอะเราจะได้เป็นผู้ที่ห่างไกลจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขที่เพิ่มขึ้นซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วเอาไว้คราวหน้าเราค่อยมาสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจกันใหม่ จะเดินพอล